วันนี้มันอะไรวันพระวันพุธอืมวันพระนี่คือวันอะไรกันเข้าใจว่าเป็นวันพร ะ, อ, พระอ๋อไม่เกี่ยวกับพระเลย นี่น้านะพระทั้งไม่ลงมาบอกไม่เกี่ยวกับพระเกี่ยวกับแปดขั้มสิบห้าขั้มก็ไม่เกี่ยวกับข้าเลยาก็เลยลงมาเขาเข้าใจถูกแล้วเราเราเข้าใจผิดอืมพระเข้าใจถูกแล้วรพระอยู่แปดขั้มสิบห้าขั้ม แล้ววันสินกับวันพระเหมือนกันไหมเดียวกันถ้าอางนั้นแปลว่าเจ็ดวันก็มีสินครั้งหนึ่งเจดข้าม5คลข้ามเีศินครั้งหนึ่งสรุปว่าเดือนเนี่ยก็มีสินสีครั้งสามสิบวันสามสิเ็ดวัน หาออกศีก็เลยยี่สิบหกแล้วยี่สิกวันไม่เกี่ยวกับศีลไม่เกี่ยวกับพระนลพราะม่ใช่วันพระม่ใช่วันศีลแล้ว เ, เป็นวันอะไรกันนี่พวกเราเป็นวันอะไรนี่คำถามธรรมดาคำถามพื้น ก่อนที่เราแลควก็คิดแล้วก็คบกันเมื่อกี้คยกันเล่นๆว่าถ้าหลวงพอฟังโยมเทศฟังน่าจะดีว่าหลังนี่มันโยมเทศมาแล้วก็มานั่งฟังน่าจะเข้าทานไปนะฮะ เออแล้วใครจะติดกันเทศเลยนี่นี่ติดกันเทศเลยถ้าติดกันเทศได้บาได้ซาะ บ, บอกเอ๋หน่อยเอ๋สาบา จริงๆถ้าเราทบทวนมีบางเรื่อง <c oughs> ที่มีประจำแล้วในชีวิตประจำวันที่เราเรารู้เราเห็นที่มนเป็นประจำในชีวิตประจำวันก็นา จ, จะเป็นเรื่องีดีเช่นคำพูดคาจาคำของพระพุทธเจ้าที่เขาใช้เรื่พุทธทพจน์เราจะได้มีต้งแบบจะมีต้งอย่าง ในการเอาไปใช้เป็นวิธีคิดวิธีโพดแล้วก็วิธีทมวิธีจัดอยู่เสมอเพราะงั้นเราก็มีหรอกไมชาเราบอกว่าเรา้งเรื่องอะไรเออฟังกันหย่อยสิ อยากได้ฟังโรซาอมากกว่าไม่เช้าาพูดถึงอะไรนะให้จาได้ไม่ถึงที่สองชั่วโมงเห็นไหมบอกของเราไม่อนโกงคือมันม่ชีิต่ออังเกอรได้ฟังอะไรนะ วิสติโยปจัจจยบันวิหารธรรมวิหารลวิหารละธร ร, รรหรมออรห ร, รออททือวิหารธรรมไมชาพุทธวิหารวิหารละธรรมวิหารธรรมก็ได้แล้วมันคืออะไรวิหารลธรรมต้องฟังธรรมที่พระิหารบอกฟังธรรมีอืไม่ได้ มันไม่เป็นแล้วครับถ้าตัดเป็นสองคำเพราะมันเกี่ยวอะไรกับตัวเราเกี่ยวอะไรกับชีวิตเกี่ยวอะไรกับปฏิบัติในชีวิตประจำวั น, จ, นจริงๆเราเห็นความหมายกว้างเป็นเรายกมนเป็นหัวข้อเพราะฉะนหัวข้อแต่หัวข้อที่ยกขึ้นมาให้พวกเราฟังถ้าเอาไปพิจารณาเอาไปทําต่อ อย่างตน้นภลางวันเขาบอกว่าพูดให้จําทําให้ดูเพราะไม่รู้ว่าเราเข้าใจยังไงพูดให้จําจําอะไรได้มากเมือนถามเมื่อกี้เมื่อเช้าพูดถึงอะไรนี่เราพูดให้จําแล้วจาอะไรทําให้ดูที่เคยทําทํามาดูเขาว่าดูแล้วมันต้องเห็นมี่จยกว่าดูถ้าดูแล้วไม่เห็นก็คือคนตาบอดพอดูแล้วมันต้องเห็นถามว่าเห็นอะไร ที่ทําให้ดูแล้ที่เราเห็นดูดูอะไรเพราะว่าเราไม่ดูดูข้างนอกเรียกว่าตาเนื้อตาหนังดูข้างในเรื่องศสนามีความหมายเราดูแบบข้างนอกดูเกี่บข้างในอีนี้เราบมโหถึงหัวข้อเมื่อเช้าแล้วมาต่อเพคุยให้เข้าใจมากขึ้น เศรษฐิดต่อเป็นระบบเป็นระเบียบปฏิพุทธทีละคำทีละอย่างปีค่อนก่อนก็พวกหลายเรื่องหลายอย่างเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องทำโบ ก, กินที่ละคำทำทีละอย่างมันก็เป็นธรรมะยังไงมันก็กินทีละคำทีลายช้อนพราะเขาทีเดียวไม่ได้ มันบอกมันบอเราทํำททีละอยา่างกิน ท, ทีละขันทาทีละอยา่างมันก็เป็นธรรมะถ้ า, าอบรมยจโกนในจิตของเราทีนี้เราพูดถึว ง, งวิหารธรรมสองคำของแรกคือวิหารจริงๆมันไม่ได้ไปวิเศษนาสนะที่เร า, ร า, ราเรียะเอาปูวิหารรานดียศาลาวิหารแบบเครื่องดู ถ้าเป็นคนเราก็ขึ้นอยู่ของกายก็คือปัจจัยสีคือที่เพึ่งอาศัยพวกง่ายๆกายคือตัวเรานอาศัยปัจจัยสี่มีเฉพาะคนเท่านั้นสัตว์เขาไม่มีเมื่อวันสวันก่อนบอกราเ่นหนึ่งถ้าใครจะไปเดินโยกมแถวหน้าวะต้องระวังมีลูกหานพยายนาคคนเปรี้ยอนอยู่กลา ตัวไม่รองเลยใครมีหมามีแม ว, แ ม, วมักินได้ไน่นะกำลังจะออกรูปเลยว่ามัน่าอยตัวที่เคยเข้ามากข้แล้วก่อนเคยมาทางโรงควรตัวไม่ร้งเลยนะมันกินหมากินแมวได้มนะคงจะหิวเพาแถวนั้นนเป็นขยะเป็นร้านอาหาร <c oughs> ก็เวลาประมาณนะี้ช่วงนี้เวลาหากินรับนี่นคือ ปัจจัยสื่อเขาไม่มีเลยรวมรจากอาหารก็หากินธรรมชาติไม่ได้สะสมไม่ได้ไปต้มเปมเปิ้งย่างแกงทอดมันอย่างพวกเรากินสุก ๆ, ๆุิเด็ดเดี่ยวกินก็ไั้เป็นไงนั่ น, นคืสเปซสตา์ส่วนบ้านไม่ต้องไปทำอาหารแล้วก็จะเป็นแดงผล อะไรก็แลแ้วแต่จะเอาเ่อความสูกวกคนหมันกันไม่มีเจ็บไข้ได้ปัวมามันก็ไปหาลกกพยาบาลเสื้อผ้าให้ท่านรู้ถึงเลยถ้าไปเปลี่ยนชุดวันนะ่ะอาทิตย์ะกี่ชุดชุดเท่าไหร่ชุดวันเกิดวันตายชุดทำงานไม่ ม, ม, ดดไมีมีชุดเดียวไม่มีชุดอี่น ปูยางไงชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันอ น, นี้เห็นไหมมันความทุกอยาก่างลำบากของ ก, กายเพราะความที่จิตมันต่ำจิตมันไหไลไปเจอระดับโดภูมิโดยชั้นของจิ ต, ตกับปูยังไงความชนดของจิตเรามันไม่ได้สูงไปกว่า น, นั้นมันก็เลยได้แค่นั้น คือนนต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่เรื่องวิหารธรรมวิหารธรรมคือทำโดยเครื่องอยู่ของใจวิหารคือที่อยู่ทำชนิดทำคืออะไรทําไม่ใช่ไปเตะไปดุทำไม่ใช่คําสอนแต่เป็นส่วนหนึ่งทานั้นเองแม้ของผู้เจ้ามาตามของผู้อาจารย์ก็ตาม แล้วทํำคืออะไรพรเจาบอกแล้วทําความจริงความจริงคืออะไรก็คือสัจจะเราจึงเรียกสักจจะทําทีนี้ชีวิตความเป็นจริงของพวกเราเรามาดูว่าชีวิตจริงๆของพวกเราตอนอยู่แบบสัจจะหรือคือทำให้ไดะคือความจริงเป็นยังไงเราทำรู้แบบอยู่แบบ ศรัทธาคือความเชื่อซึ่มีหลากหลายเชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเขาว่าศักดิ์สิทธิ์พึ่งได้อันนี้คือความเชื่อน้ำไม่ผิดต้องไม่ผิดแต่เรากำลังเปรียบเทียบ ว, ว่าถ้าเราอยู่แบบสัจดิคือความจริงกันคือทำไมไม่อยู่แบศรัทธาด้วยความเชื่อ เพราะนั้นดันแยกสมอย่างอยู่กับความจริงกับอยู่แบบความเชื่อต่างกันอย่างไรถ้าอยู่แบบความจริงมันยากความจริงมันต้องฝืนมันต้องทวนไม่ใช่ไรไปตามอารมณ์ถ้าอยู่กับความเชื่อกับคนพวกเราอยู่กันทั่วไปสํานักฆราเหล่ยมันเยอะแยะมากมาย สามารถสื่อสารข้างบนข้างล่างนั่นนี่ได้เยอะแยะสาราพัดสามารถขึ้นไปเจรจาประสานข้างบนได้อันนี้ของเชื่อนะถามว่าเป็นความจริงไหมเป็นสัจจะไหมไม่มีใครตอบได้แต่พูดง่ายขึ้นไปตอนเจรจาต่อปฐมวระะนก็ได้เนี่ยคือความเชื่อนะสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเป็นธุรกิจ เป็นผลประโยชน์มีค่าตอบแทนเขาก็อยู่ได้ความมีค่าตอบแทนแต่ไฟที้เป็นความจริงไม่เลยมันไม่เกี่ยวคุณจะเชื่อไม่เชื่อมันก็เป็นความจริงของมัน น, น, นั่นคือธรรมะในอีไฟแต่พระพุทธเจ้าอยู่ฝ่ายนี้แหละคือฝไฟธรรมะคือรร่าย ค, ความจริง ทีนี้เรามาดูมารู้ว่าทะเลาแยกกันละว่าอันนี้คือความเชื่อนะอันนี้คือความจริงจะอยู่ฝั่งไหนเทเทน้ำหนัให้กับเรื่องอะไรก็ต้องถามว่าเราเคารพใครเม็่เราเคารพพ่อแม่ก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่เคารพอาจารย์ั้นเชื่อฟังคาว่าเชื่อฟังคือปฏิบัติตามไม่ใช่แค่เชื่ อ, อฟังอ๋อมาดีเชื่อคือต้องทาตาม แล้วก่เนี่ยมาฟังถ้าพ่อแม่ก็อาจจะเป็นเรื่องผูทุชนพอใจวาจารบองค์ใหญ่เป็นผูุ้ชนเข้าใจแต่เอาให้ถึงที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าก็ต้องบอกพระทธเจ้าตรัสว่ายังไรเคยพูดอยู่เสมอว่าคุณสมบัติของพูะทธเจ้าเราไม่มีอะไรอื่นคือท่านพูดยังไงคือพูดให้คือตรัสแหละ พูดอย่างไรทำอย่างนั้นคือปฏิบัติอย่างนั้นคุณสมบัติของพระเจ้านะท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็พูดออกมาอย่างนั้นสิ่งที่พระองค์พูดไม่เป็นความจริงไม่ใช่ความเชื่อแต่ถ้าจะเชื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเป็นโพธิสัตธ์ทา เชื่อนกรตของพระพุทธเจ้าทักตัสสธาเชื่อนวัตตะคดถจะเชื่อคาวัตตะคดคือโปธรรมผสมอยู่ในองค์เดียวกันเรองความหมายไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์เดียวเนือความหมายก็คือพระรัตนตรัยนั่นแหละเรความหมายเพราะในองค์ท่านองค์เดียวครบหมดเลยเป็นทางพุทธเป็นธรรมมเป็นด้านสำคัญแลยาบุคคม ครบทั้งสามประการเรื่องความเชื่อถ้าจะเชื่อนะแต่ท่านแนให้เราอยู่กับความจริงไม่จ้องคิดอะไรมากทางความจริงมันโลกนี้มีเยอะแยะจริงๆความจริงมันมีไม่ได้เยอะความเท็จมันมีเยอะแต่เราไปอยู่ความเท็จคือความไม่จริงคือเพื่อพาความไมจริงยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราอยู่กรบองเห็น พยายจะค้นหาสอะสวงหาหาแนวทางก็คือท่านบอกสามสีค่คำนี่ก็สามารถที่จะเอาเป็นต้นแบบชีวิตของพวกเราได้นั่นก็คือเร่มต้นจากเอาพระที่เราเห็นเห็นก็คือชาติชาติมีความเกิดชร า, าความคำคล้าที่เราไปวนะ่าแกแต่ตะพูดคำว่าแกกมันต้องบอกว่าหกสิขึ้นไปอยู่เรียกว่าแก่มัสูงวัยสูงอายุ อันนี้คือความเข้าใจคือความเชื่อของเราแต่ความจริงมันไม่ใช่อันนี้คือสกาวาชาราพยาธิผู้เขาจแค่ดที่ป่วยคือโรคความมีโรคของพวกเราสุดท้ายมารณะคือการสิ้นสุดการเดินทางของพวกนี้ชาน้น ถามว่าทั้งหมดที่พระเจ้าสรุปให้เราฟังว่ายังไงชาติชราปยาธิมาแล้วนะพร่องส์ทรเราว่าทุกข์ถ้ามีสิ่งนี้อยู่คือทุกข์คำถามคือเราเห็นหรือยังเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไหม เห็นวชาติความเกิดอันนี้มันเป็นทุกข์มั้งโดยเพราะยื้อกันเกิดบ่อยๆพุทธเจ้าบอกว่าเราการเกิดบ่อยมันเป็นทุกข์แล้วก็ต่อเนื่องกันมาเป็นกระบวนการหนึ่งสงสามสี่จนสุดท้ายปลายทางเพราะฉะนั้นกรรมาที่เดิมวิหารธรรมถ้าเราไม่เอาสิ่งนี้เป็นวิหารธรรมคือเป็นเึรื่งอยู่ ของใจสุดท้ายในชีวิตความเป็นจริงของพวกเราเราก็จะถามาความเป็นธรรมเช่นเราจะบอกไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาหาว่าเขากล่าวว่ากษัตริย์เราตัวเองนั้นไม่เป็นธรรม ก็ต่อสู้เพื่อหากฎจริงสังคมป ร, ระพยกลงให้มีกฎมีกิจการมีระเบียบกระบวนการยุติธรรมคือวิธีคิดอันนี้ชค่ยกเป็นตัวอย่างในโลกกระบวนการยุติธรรมหนึ่งคือสืบสวนสอบสวนอันนี้เป็นเรื่องของตํารวจเขาถ้าเราไม่รับความเป็นธรรมนะพิจารณาในเรื่องอายการเขาตัดสินเป็นเรื่องของศาลเห็นไหมกว่าจะรับความเป็นธรรมหรือว่ายุติธรรมสามขั้นตอน ก็ไปร้องขอกับเจ้าหน้าที่เขาที่จะทํากระบวนการนี้ให้เราแต่ว่าพอจะจบได้เนีจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่ผิดถูกตามกระบวนการตั้องไปโทษจนจุกใช้เวลาบางที่เป็นสิบปีถ้าจะรับความเป็นธรรมแต่ความเป็นธรรมในทางธรรมทางธรรมะันถ้าเราจะห า, ว า, ห า, ว า, ค, วาความเป็นธรรมต้องหาความจริงความเป็นธรรมความจริงก็คือสัจจะ ็าถาเท้าเกิดเป็นความจริงไหมแกเป็นความจริงไหมเจ็บไข้ไป็ป่วยเป็นความจริงไหมตายเป็นความจริงไหมถ้าเราไม่ยอมรับสิ่งตรงนี้ก็แปลว่าเราไม่มี อ, อะไรเป็นเครื่องอยู่เพราะเราไม่ยอมรับสัจจะคือความจริงเมื่อไม่อยู่กับความจริงก็ไป อ, อยู่อีฝั่งคือความเชื่อกลับไปเชื่อว่า ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปต่อรองได้ไม่แต่เวรไม่แต่กรรมลดหย่อนผ่อโทษได้โอบเสียกันได้ทำไปแล้วในอดีตชาติก็ไปขอขามาไปขอโทษแล้วก็ลดหย่อนผ่อนโทษกันได้อันนี้ความเชื่อนะถามความจริงใครตอบได้ตอบได้ไหมก็ใครตอบได้ความจริงโรคใครก็เจ็บเหมือนกันสมมติไปทอย่างนี้แล้วขออย่างนี้แล้วอัปอธิษฐานอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีมันไม่เป็น อันนี้เป็นความเชื่อนะไม่ใช่ความจริงแต่มันก็ช่วยได้จิตใจอันนี้แค่ตัวอย่างเล็ก น, น้อยในชีวิตประจำวานของเราที่เรียกว่าร้องขอความเป็นธรรมแลความเป็นธรรมจริงๆต้เป็นสัจจะต้างให้เป็นสัจจะความจริงพอพระพุทธสรุปให้ฟังว่าถูกคือในอริยสัจตัวแรกข้อแรกนะ แต่ก็บอกขึ้นมาเหตุของมันแล้วก็วิธีการของมันจบจบนี่อันนี้คือวิธีสอนของพระองค์ไอัยศได้ว่าสอนอธิบายเรียนเอาทั้งแต่ั้งจนจบก็จะต้องหาทางออกยังไงคือในธรรมในธรรมะที่เราทํำทำกันเรียกออกจากกาาเพราะกางกองตนเหองที่ต้องเกิดถ้าไม่มีกางก็คงไม่มีเรา การนั่นคือการมาพบคือก่อนที่เป็นชาติเองเราพูดแต่ชาติสิ่งก่อนที่เป็นชาติานั้นเป็พบมาก่อนแต่พอาสมมติไม่อธิบายสิ่งนั้นได้เพราะเรามองไม่เห็นเขาไปไม่ถึงคนจะไม่เข้าใจพอเก็จะเริ่มต้นที่ชาติคือนับหนึ่งที่ชาติจริงๆก่อนนั่นเป็นพบทีนี้ถ้าเรายังไม่เข้าใจสิ่งนี้ ถ้าว่าชาติชาลาพยาธิมรณะหรือพบชาติอะไรยอย่างเงี้ยจนข้าพเเป็นวัฏฏะคือบนในจุดตรงนี้ปาจจัยเความบนที่เราเียกว่าเป็นวิายตายเกิดความมีนวิายตายเกิดเราก็ไปตึกถึงถึงภพนู่นพอตายแล้วต้องไปเกิดเป็นนั้นจากนั้นก็นเป็นนี้เป็นนู่นกลายเป็นเรื่องอนาคตไป หรือไม่ก็ที่เราเคยเป็นนั่นเคยไป น, นี้นเคยไปโ น, น้นมินนนชา่าบอกไปแล้วว่าให้มีสติอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคือวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ถ้าว่าพบที่แล้วมันเป็นอดีตปัจจุบันนั่นไงแล้วพรุ่งนี้เป็นปัจจุบันไม่ใช่แปลว่าตายแล้วจะเกิดเป็นอะไรนั่นคืออนาคต พเรามาจากไหนมันเป็นท่าีเราจะค่อยู่ปัจจุบันคือทําใจให้เป็นปัจจุบันเพราะปัจจุบันถ้าใจมันนิ่งแล้เราจะเห็นเหมือนตอดนีทุกคนนิ่งหมดไปพูดไปคุยไปขยับไปแย่เคลื่อนไหวมันก็ไม่มีมันก็ได้ยินเสียงเดียวเอกะเสียงเสียงเดียวจิตของเราเป็นอย่างนี้ ตราบใดที่ยังไม่เป็นเอกขดอารมณยังไม่นิ่งยังไม่มีอารมณ์ปเป็นอันเดียวมันก็ไปตามภาษะที่มันกระทบพระเจ้าถ้พวกเรามองจำที่ไปว่ามุ่งไปที่จิตเรื่องกายประยุกต์กรรมมานานแล้วต้องแต่เกิดเห็นถ้าแต่เกิดป็นจิตเราไม่เคยเห็นมันเลยคุยใจสภาวะที่เป็นอาการ จะเป็นอาการของจิตก็ไม่เคยเห็นเลยกระทั่งจี่เป็นมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากๆ ม, มันก่อพบขอชาติที่ไปต่อกเกิดจากความคิดนี่แหละคือจิตนี่แหละตัวคิดตัวพงตัวแต่งผลจิต ม, มันจึงเป็นได้ทุกอย่างมันคิดเป็นอะไรมันเป็นสัตว์ เป็นบุคคลเป็นทั้งหมดสสารพัดที่มันเได้กลายตามสัญญาอารมณ์มันก็เป็นได้ในทุกขณะ จ, จิตเราจ้อเรืร่องเสียงเลยว่าพบจริตใจมาพบแล้นมันเกิดปัจจุบันแล้ถ้าเราตัดพบก่อนพบหน้าเอาพบปัจจุบันแล้วปัจจุบันเราอยู่ในพบไหนพบก็คือผ้า ที่เจ็ดมันเลองออกที่เรว่องดีมิตกเครื่องหมายมันก็คือภาพแล้วเรื่องดีมิตรูดนั่งแล้วกันดีมิตส่วนใหญ่คนเข้าไปอยู่กันดีมิตไม่อยู่กับตัวที่เห็นดีมิตสุดท้ายเมื่อดีมิตมันหายก็เสียดายอยากอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมให้มีเหมือนเดิมกันเห็น เหล่านั้นเหล่านี้เราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้กันได้ยินก็ตามเชื่ว่าดนิเพราะนิมิตมีหลายอย่างมีทั้งมีทั้งภาพมีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นเป็นนิมิตเราไปกินเมนมาจะทนไม่ได้นักวนิมิตอย่างหนึ่งที่เป็นเสียง เ, เสียงกระเซ็บเสียงบอกเราก็าไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราไปเปจิตมาเป็ใจเราไม่อยู่กับตัวผู้รู้คือ ผ, ผู้เห็นผู้เข้าใจ ก็กลับมาที่เดิมปีจัยเนี่ยบความเป็นใจของพวกเราคืออะไรถ้าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้ยากที่พูดมาทั้งหมดธรรมชาติชราพยาธิมรณะมันเกี่ยวอะไรกับจิตไหมไม่เกี่ยวกันเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับกายเลยไม่เกี่ยวกับรู้ก่อ น, นี้เลยไม่เกี่ยวกับ ธาตุสีดินนะ้าไฟลมอันนี้เลยให้เป็นเรื่องที่เราเข้าใจผิดมานานจึงรียกว่าลิขชาจิทิพนั่งการปฏิบัติตลอดถ้าจะเห็นอย่างนี้ถ้าแยกมาละเอียดมาจิตมาความเราเป็นหนึ่งแล้วอ่ะน้่นมันก็คือน้ำนั่นมันคือไฟนั่นมันคือลมนั่นมันคือดินเราถ้าใครปฏิบัติอย่อุกฤษนจะเห็นชัดเจน จริงนี่หนาให้กเราลองในสัตว์ชีดูบ้างอย่ที่ครูบอาจารย์กานทำอดข้าวปลาอาหานดูบ้างกินน้อยถ้าอดไม่ได้ก็ต้องกินน้อยมันจะเห็นความแตกต่า ง, างถ้างั้นถ้าเราอยู่ในสภาพเหมือนเดิมกินมือสอมือสามือกินของอร่อยอยู่เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรแตกต่างไปเลยชีวิตจะไม่เป็นความแตกต่างเพามาครูอาจารย์ถึ้งมุ่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะในภาษาการ เ okay. รแต่พระอาจารย์หลายรุ่นด้วยบรรดาต่อๆก็มาก็ให้เห็นสิ่งนั้นว่าเราจะเห็นว่าเออดินน้ําไฟลมเความชักโดเยเฉพาะสติเร็วรูปก็เร็วเสียงก็เร็วกลิ่นก็เร็วคือจมูกดีจมูกดีตาดีใจอะไรคือท่านคือท่านสิ่งเหล่านี้ ถ้าคนไม่เคฝึกมันไม่ทันจริงๆบางทีมีสติอสติมันน้อยเพราะนั้นรวมทั้งหมดชาติชนะที่ปรนะโยชมดแล้วทั้งหมดรวมถ้ารวมความร้อยู่ที่สติคือใจอตัวนี้สติให้มีสติก่อนฝึกสมาธิเพื่อให้มีสติคือเราเลด้คือได้มาธิคือมันมั่นคง เราเราไม่มีความมั่นคงในชีวิตเลยแตยย่ชีวิตเรามีา ค, าความมั่นคงไหมมีหลักประกันไหมขอความมั่นคงไม่มีหลักประกันเะไเลยชีวิตเรารสมาธิคือหลักความมั่นคงของชีวิตเมื่อวันนี้สติมันเกิดขึ้นแล้วสติอย่างนี้แหละจะมาจากไหนก็ตามมาจากลมหายใจก็ได้ก็คือกําหนดอันนี้น กำหนดใช้เขากำหนดจิตเพราะฉะนั้นทุกรวมความแล้วคือชาติจราทิาอะไรต่างาทั้งสามที่คำท่านรวมคำง่ายๆเราว่าทุกถ้าเกิดกับคนไหนก็ตามถ้าเห็นคนในชัดก็ตามตัวไหนก็ตามตัวใด ต, ต, ต, ต, ตัวหนึ่งสภาวะทุกคนจะชัดเมื่อทุกังเกิดขึ้นมันปรากฏตัวทำอย่างไร คนทั่วไปผมไม่อยากให้มันมีอยากกําจัดแล้วถามว่าพ่อของเราพระพุทธเจ้าจัดไปอย่างไรพ่อของเราบอกไม่มีวิธีการที่กำจัดมันออกไม่ได้พระพุทธเจ้าคือกำหนดรู้ปัญทุกท่านให้กําหนดรู้ท่าม่ได้ให้เราละแต่เราอยากให้รักซึ่งมันคนละเรื่องกัน เพราะว่าเราไม่ฟังพ่อไงพูดให้จาทำให้ดูแล้วก็ไม่ฟังพราะเขาจะไม่อยากมันมีพูดง่ายๆแต่พูดง่ายๆคือไม่อยากให้มีความโลภของโกรธหลอกมันเป็นความอยากไม่อยากให้มีมันคือความอยากมันคือตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั่นน่ะคือตัณหาตัณหาคืออะไรคือตัวที่สองที่พวกเราตัวสองคืออะไร ต้นเหตุทางบอกนี่คือต้นเหตุทุกที่บอกมันเป็นผลนมันไม่ใช่แต่เราไปดูที่ผลของมันตอนเรามปดูที่ต้นตอมันจึงแก้ปัญหาไม่ได้เพราะเราแก้ไปดูที่ปลายเสตุแต่เดียวเราไปเช็คที่ต้นตอเหมือนว่าชาติชาราพยาธิพายุชาลาเราเข้าใจว่าเก เยอะเอะแล้วจริงๆนะไม่ใช่ถ้าแต่อ้วแหวกขึ้นมามันชราแล้วคือมันข้ามผ้าแล้วมันชํารุดแล้วมันชำรุดทุกวันไม่วันไหนที่มันไม่แก่ไม่มีเลยแต่เราก็ยังเอาแก่ก่อนเนี่ยความเข้าใจเราเองนั่นคือความเชื่อนะแต่คิดอย่างนี้มันคือความเชื่อไม่ใช่ความจริงก็แปลว่าที่ผ่านมาเราดยู่กับความเชื่อเราไม่อยู่กับความจริง มันจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะแค่ความเชื่อเชื่อว่าอันนี้ต้นไปคือต้อนเหตุคือตัวนี้ตัวที่สองเป็นที่บังคับทุกข์ก็คือต้อนเหตุอันนี้เห็นต้นเหตุของมันแล้วทําไมถึงต้นเหตุนี้จะไม่มีที่จะดับไปได้คนนีร้รอดเขาบอกว่านะไมรอดมันดูไปว่าดับแล้วเมื่อกี้มันเกิดต่อไปพูดถึงการดับ คือมันเกิดแล้วมันจะต้องดับความพบพบมายต้องพูอย่างเงียหมือนขั้ต้นเนีชาติชราปยาติภาณะใช่ไหมชาติเกิดภาณะคืดับถ้าเราเห็นสาระสิ่งทั้งหมดทั้งปวกเคยเล่าดูสมวยฟังกระบวนการขั้นตอนถ้าเราเห็นทุกเรื่องเห็นการเกิดการดับของมันเร็วอันนี้อยู่ที่จิตแล้วอยที่กําลังของจิต ถ้าเราอยู่ในกระบวนการวิธีคิดของเราไม่มีทางคือไม่เคยคิดเลยในการวิธีเราเนี้ไม่เคยดําเนินเลยเนระวบมนะคือทางเดินมันไม่มีเลยคือไม่เคยเอามาคิดเลยมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้การเกิดการดับทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องความโลภความโกรธความหลงหลงนีย่ยาก เรื่องที่เข้าใจเยากมหะมันตัวปิดบังทั้งหมดตัวปิดตัวบงังทำให้เรามองไม่เห็นทําให้เราเข้าใจผิดเป็นตัวมัวหัเช่นหลอกพบหลอบชาติเป็นต้นส่วนโลภะโทสะมนันเป็นง่ายๆคาว่าเห็นคือรู้เฉยๆแต่ไม่มีใครที่จะหาเดี๋ยววิธีการทํำให้มันน้อยลง จากมาที่มีอยู่แทนหรืออย่างน้นอยรูเท่าทันเรากาลังโลกนะมากๆก็จะหยุดละเรากาลังโรกรธนะแปลว่าอะไรแปลไฟกำลังไหมเรานะถ้าเราไม่ดับมันก็จะไหมไปเรื่อยๆพอสิ่งมันนี้อูจจบอกว่าไฟเกิดขึ้นอไงก็ตามมันเป็นไฟไฟกองเล็กไฟกองน้อยไฟกองใหญ่มันก็จะไหมเราไหมกระทั่งเรา เพราะนั้นคนที่ทําความเพียรเยอะ ๆ, ๆทำวิจิตรีทาความเพียรบ่อยจะเห็นสิ่งหลงท่านจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอาตาปีมันจะรอ้อนเห็นดินชั่นขึ้นเห็นลมคือเนื้อหน้ากายเห็นไฟตัวจะรอ้อนเพามไม่เคยไม่เคยดีไม่เคยขั้นไม่เคยทรม า, านหลังพเสด็แล้วก็เราคุยเรื่องนี้ แต่มรู้จะเป็นของเข้าใจมากมายกันไหนเรื่องบีบเรื่องทันเหมือนนําผลไม้มือโรกันหลายผลหลายขอเป็นกิโลเป็นโหลบีบออกมาจนดือดแต่น้ำเราจะได้ของอร่อยแต่ใจเ ร, เราไม่เคยถูกบีบเลยเขบีบได้หน่อยใจสออแล้วมันไม่เหมือนผลไม้ผลไม้บีบไปเยอะคั้นไเยอะอเะราจะได้รสชาติความอร่อยนั่นคือรสแห่งธรรม ถ้าเราเบียดใจเราบ่อยๆ อ, อย่างนี้ทรมานมันบ่อยๆทามันเยอะๆทำันทิชต่อเนื่องเนยเราจะได้รถแห่งพระธรรมคือธรรมคือรถความจริงนั่นแหละพราะธรรมคือความจริงไม่ใช่ความเท็จไม่ใช่ความหลอกไม่ใช่ความเชื่อนี่คือว่าทําไมบอกว่าให้เราอยู่ความจริงที่เป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ชาตินี้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องชาติเก่าชาติแก่ไม่ต้องกังวลเรื่องชาติหน้า จะเป็นอะไรไมาอยู่ตรงชัตินี้อะไรเพราะตัดกังวลมีความเปรี๊ยงก็ไม่มีไม่ต้างกวลว่าเราเป็นอย่างไรมา ก, ก่อนเหมือนปัจจุบันพม่ตัดกวลเมื่อวานทาอะไรไปบ้างเอาพรุนี้จะเป็นอย่างไรไม่ต้องไปกังวลเอาตรงนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ขณะจิต น, า น, า น, านี้เป็นอย่างไรเห็นให้เข้าใจโดยพิงยิง่งถ้าเห็นด้วยปัญญานี่กิดจากจิตนั่นแหละว่าจิตมันเป็นกลาง มันเข้าใจมันเป็นกลางแล้วอะไรที่มันเข้าอยู่มากระรุ้ต้นจะพิจารณา้าจเป็นกลางใจเป็นสมาธิโยกพิจารณาตามขั้นตอนตามขั้นตอนคืออะไรคือฐานของสติจึงจะพิจารณาฐานสติคืออะไรคือกายมาตั้งที่กายนะคือมาร่มต้นต้นกายตรงไหนคําว่ากายอะไรคือกายกายยา กายละเอียดเ้าตางค์เราย่างไรเรารู้แต่ใครอยากใครตัวเราอันี้คือกายเอาสติมาตั้งอยู่ตรงนี้สติธรรมดาผมเวทนาเวทนาคืออะไรเวทนาเกิดจากอะไรเวทนาเกิดจากพัฒนาที่มันกระทบเช่นตัวเรานความร้อนมากระทบรู้สึกว่าร้อนความเย็นมากระทบเกิดปะะัญหรู้สึกว่าเยน็น นันคือคำว่าเปนธนาคือสเสวยคือการรับรู้ถ้าร้อนมาแ็ไม่สบายไม่ชอบถ้าเย็ยนมาชอบนั่นจะเรียกว่าสุขขาตกขะหรือว่าเฉยเฉยตัวที่มันกระทบนี่แหละแล้วเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้นอย่างไรก็เาสติก็อยู่สิ่งเหล่านี้นเนรียกว่าเวานนาฐานของจิตตัวที่สองจิต จิตคืออะไรตัวที่มาสะสมมนานตัวที่มันก่มนอมานานมันสะสมอะไรไว้ถ้าจิตไม่เป็นสมาธิมันไม่มันจะไม่ออกมาเสียนอานี้เพราะว่ า, ว า, า, ม, ว า, า, า, ามันละเอียด ก, กว่าเรามันเก่งกว่เราเรายังยากมันละเอียดเราเข้าไม่ถึงอันเก่งกว่าเราทำก็ยกเอาข้อธรรมอย่างนี้นพวกดึงชาติชาปาปาริมรณะอันนี้ทำมีความจริง อาสติเราอยู่กับความจริงทั้งบมดที่มันเป็นจริงอันนี้แค่ตัวอย่างข้อแรกข้อหนึ่งที่สเราจึงรวมสิ่งเหล่านี้แหละถ้าใครเอาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันเราจึงเรียกว่าวิหารธรรมคือทําไปเครื่องอยู่แต่ถ้าอยู่แบบโลกโลกอยู่กับความโลภก็นั่นแหละคือวิหารธรรมก็คือความโลภอยู่กับความโกรธวิหารธรรมคือความโกรธ ถาว่าดีไม่ดีไปเรื่องหนึ่งเอาไปคิดต่อพิจารณาต่อเราจ อ, อยู่กับอะไรลองเรื่องถ้าจิตมันฉลาดมันเป็จิตเรื่องอีกแบบจิตไม่ฉลาดมันเป็นเรื่องอีกแบบ ม, ม, ออแบบมันก็มีแช่นี้เพราะนั้นเทศบอกสอนเราต้องบอกว่าอันนี้เป็นกุศลธรรมมานะนี่เป็นอๆๆๆาคุศลธรรมมานะคือทำนะคือความจริงนี่แหละความจริงหนึ่งที่เป็นกุศลนะ ความจริงที่เป็นไม่เป็นบุญส่วนก็อภิุศลนหนึ่งแหละแต่ความจริงที่เป็นเป็นกลางกางก็คือธรรมะสมาคือสภาวะสภาวธรรมที่เป็นจริงเพราะนั้นความจริงมันมีทั้งจริงจริงงแท้จริงหลอกอย่างที่เราจริงจริงอยู่แต่ว่าจริงโดยสมมติเชือใช้ตรงวันเนี้ตั้งแต่เกิดคือชาติชราญาติมรณะจริง แต่ว่าจริงโดยสมมติสมมุติเอาเองทั้งหมดสุดท้ายจริงสมมติในหลัเราข้ามไม่ได้พ้นไม่ได้ตัดใจไม่ได้วางใจไม่ได้เพราะชื่อ เ, เรียกติดสมมติทุกวันเราติดนะจะไปเชื่อเราไม่ติดน่ะถ้าเขาไม่ติดเขาโมหะปิดปากนี่คือตัวโมาะเพราะเรามารู้จิตมันม่รู้เราติดไมันค่ดว่าติดสมมตุติ จริงสมมติตัวเนี้ยพันแข้งพันขาตลอดสมมติจะไมารู้กีก่สมมติแล้วสมมติตั้งแต่เกิดจนตายไม่รู้กี่สมมติสาระข้ามสมมติไปได้อะไรคือสมตสสมติกันขึ้นมาพเพื่อใหเข้าใจตรงกันไม่รู้ตรงกันเช่นพ่อแม่ลูกนายแดงนายดำนายขาวซึ่งจริงจริงเป็นนายในก็ไม่รู้ถ้าไม่ตั้งชื่อเลยมันจะเกิดอะไรขึ้น เกิดมาแล้วมันต้องไปตั้งชื่อเลยแล้วจะเรียกกันยังไงเฮ้ยเฮ้ย้ไอตัวนั่นไอตัวนี่หรือเ่ามันก็ไม่ได้อันนี้เราสมมุติแต่ว่าสุดท้ายคือเราก็ติดตรงนี้แหละมันขัดไม่ได้เนียเพราะว่าเราไม่เข้าใจเราแค่แคเข้าใจเรื่องรูปแต่เรื่องนามเราไม่เข้าใจเพราะฉนั้นถ้าเราเข้าใจ เรื่องเนี้คือรูปงกับนามแยกออกจากกันคือร่วคือธาตุติน้ำไฟลมนะไรคือธาตุส่วนนามที่มันจะต้องไปต่อบคือเรื่องใหญ่มากก็คือเวทนาที่เรารู้สึกชอบไม่ชอบเฉยๆตัวนั้นมันไปต่อน่ะมันชอบอะไรมันไม่ชอบอะไรมันวางไปเฉยถ้ามันชอบมันก็ปรทานทันทีถ้ามันไม่ชอบคือจิตมันเป็นอกุศล ถ้าเจนนั้นเป็นกลางๆมันก็จะไปดีหน่อยไปทิศลงโลๆว่าๆที่รูปละเอียดจะเรียวพรหมใ้เขาอยู่กับรูปละเอียดไว้เป็นกางแต่อยู่นน้อยแล้วหมกมัดสภาพมาแล้วเหมือนเดิม่สรุปก็คือแม้แต่ปนุษย์สัตว์เทวดาพรหมก็มีอัตตาแต่ไม่รู้มีอัตตาจิตมันติดตรงนี้มันคล้องตรงนี้ ตัวอันตาเพราะฉะนั้นในการที่สอนพรพุทธเจ้าเน้นพระเจ้าวิชีก็คืออนาตตาที่พูดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้มอตัวนี้เป็นอานาตตาฉันเป็นอานาตตาถึงแม้ว่ารูปหยาบรูปหยาบที่พวกเราอยู่นี่เป็นรูปหยาบแล้วก็ น, นามที่อยู่นามมี้ค่ชื่อแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรูป ก็จิตมันคล้องอยู่กับรูปยังมีมโนคือใจมันนึกอะไรก็มาเกิดเป็นภาพที่เรานึกออะไ ร, รก็จินตนาการอย่นี้แหละผมก็จะเป็นภาพบ อ, อกมามันก็อยู่ในภาพที่เรานึกที่เรามรโนภาพเอาใจรูนน้เสียงอะไวก็พบมันติอยู่ที่ไหนอยู่ในกายกายมาพบติดอยู่ใ น, ามมานรูคือองค์ชานในหมายถึงชานละ่ะ เรียกว่ารูปประชารูปประชาไปแล้วแต่ถ้าอยากคล้องอยู่ในสิเหล่านี้มก็ไม่ไปไหนมันเคยล่ากันอยู่เสม อ, อผู้เจ้าก่อนที่จะรอดิพานก็ทําให้ดูสิ่งที่พระองค์ทํามาทั้งหมดอ่ะรูปประชารูปประชานารืสมบัติอะไรพระองค์ก็ทําให้ดูทําหน้าแล้วก็ออกแก่สิ่งเหล่านี้เอาแต่รูปประชานล้ว ก, ก็รูปประชาแต่ถ้าไม่ไม่ออกจากสิ่งเหลนี้หมายถึงจิต มันก็ไปทีู่รูปอมารู้กับนอยู่จะอยู่ได้เป็นมันหมื่นปีอยู่ในสภาวะนั้นเป็นมันหมื่นปีแตกได้ยังไงอยูพวกอยู่บยืนเหนือสิงหลังน้เพราะนั้นสิภานจึงไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจสิพานก็จะอยู่แบบไหนกันอยู่แบบธรรมคือความจริงอยู่แบบเชื่อคือศรัทธาเชื่อว่า นิพพานน่าจะเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นหลักประแลงเที่อยู่เป็นที่อาศัยนั่นคือความเชื่อแต่ความจริงถ้าเราเข้าถึงแล้วที่เป็นนามเราเชื่อไหมว่าสิ่งนั้นมีจริงเอาแค่นิมิตที่เราเห็นหรือความฝันพคุณถ้าเราลึกขึ้นมาออกกันนึกถึงความฝันวัานอนไปปุ๊บเราเรียกว่าความฝันเรสุบินสุบินแปลว่านิมิตที่ไมิตแปลว่าความฝัน ฝันเคยจากอะไรเคยจะผวังแค่จิตผวางจิตคือจิตที่มันนึกไอ้นาำไปรูปตัวนี้มันนึกไม่ออกหละเพราะมันไม่ทําหน้าที่ขันตัวนี้มันไม่ทําหน้าที่ขันห้าคือตัวรูปมันไม่ทําหน้าที่เคือดินน้ำไฟลมหมดสภาพของมันเออจะลมส่วนที่มีสี่ตัวคือเวทนาสัญญาสกัดมันยังทําหน้าที่กันอยู่ตัวนั้ำเนี่ยยี่ไปต่อที่ไปนึกเพราะฉะนั้นสี่ตัวน่ะสําคัญมากและที่งําคัญก็คือ มันมีชค่นามไม่มีตัวมีตัวอย่างเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเาใ จ, จยากมากๆแต่มันก็มีเห็นเรามีเห็นทุกวันไม่ว่าจะเป็นธนาก็ตามแต่ว่าเห็นเราจะชอบไปชอบไปเรื่องนยงสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งนี้เวลาทำหน้าที่มันทําหน้าที่ในขณะจิตเดียวกันมันเร็วมาก ความต่อเนื่องของมันปันเร็วมากการทำงานของมันระบบการทำงานเขาเจะเร็วกว่าเราเพราะนั้นเราจึงตามไม่ทันเพราะสติเรายังน้อยเรายังไม่พอเพราะนั้นพระเจ้าตรัสสรุปให้เราว่าปฏิบัติที่ถูกจรงิจรงก็งคือสุดท้ายปลายทางด้วยวิธีใดก็ตามสตินี่แหละ สตินะี Bitcoin, ่จะเป็นคอยดูสติคืออะไรนึกขึ้นมาได้นั่ น, นคือคว่าสติเช่นว่าอันนี้มันดีนะนี่มันไม่ดีนะมักจิตเองมัก็สัญญาสัการวิญญาณอันทําหน้าที่ของมันเลงในขณะจิตเดียวกันก็ทําหน้าที่ของทัศนีนี่คือลักษณะการทํางานของจิตเร็วเร็วกวา่าของใดๆในโลกนี้เปรียบเทียบไม่ได้เสียงที่บอกว่าเร็วแสงที่บอกว่าเร็วพันปีแสงนี่นก็เทียบกัน อันแยกสู้จิตไม่ได้เลยความเรืวของจิตเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือไม่ได้สนใจเลยก็่เคยฝึกเลยไม่เเริ่มต้นเลยในการเดินจิตปารเริ่มต น, น, น, นคือทำอย่างไรก็ได้ให้สติหรือความรู้สึกอยู่กับตัวเองให้มันมากที่สุคือใกล้ตัวท่าง ใ, ใช้คาสมมติคือระวัง มือตาหูจมูกปากสําสคัญมากๆากถ้าเผลออะไรเป็นเรื่องบางทีตาก็เหมือนกันหูเหมือนกันปากก็เหมือนกันแต่ไม่รู้ไม่รู้คือไม่มีสติเพราะฉะนั้นภูจะเปลียบเที่บฟังสอนว่าคนที่อยู่ด้วยกันปราศจากสติไม่ทางอหไคนตายแรงนะถ้าเป็นภาษาเรานี่แรงถ้าเปาาเลี่ยนเหมือนคนตายเลยคถ้าพูดง่ายๆเอาเดิแบบ น, นหน้ารับเลยก็ มันก็ตาอะไรอบคนนอนหลับเพราะบนบาปก็ไม่เกิดในกระดาที่เราจะได้อาบุญก็ไมาได้จะได้่าบาปก็ไม่ได้เพราะมันก็มีอีกโลกหนึ่งของเขาอยู่ึือไม่เกี่ยวกับร่างกายสําคัญมันไปอยู่อีกรอกๆกหนึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งต่างหากเหมือนถ้าเราไม่ภาวนาถ้าเราไม่เข้าใจถ้าไปไม่ถึงเส้นนี้ไม่มีทางเลยทางอื่นไม่มีศาสอื่นไม่มี วันนี้ในอ่านบทความที่ก็ส่งต่อมาเรื่องจิตวิญญาณเ่ความรู้สึกเรื่สมองอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาคือทดลองพิสูจน์และพิสูจน์ความจริงสุดท้ายมันก็เป็นความจรงิงแล้วแหละวิทยาสตก็เรงสมองคนนึงแหละแปลว่าคนที่ทำสมาธิอันนี้ฝรั่งตะกุบนะไม่ได้ดูจริงๆเขาวิใจัยในสิ่งนี้มันเจ็ดศตวรรษแล้วบางสถาบันเป็นร้อยปี ไปที่อันนี้นะ่าเชื่อถือว่าสิ่งที่เข้าเรียนมาทั้งหมดสูงเบาไม่ได้เคยเข้าใจเลต่อให้เป็นมองต่อให้เป็นอะไรต่อให้พ่าซากศเส้น ส, ส, สายกระดูกกระดี่ดดวทั้งหมดนี่ยังไม่เข้าใจถ้าใครภาวนาเลยคือสมาธินี่แหละซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวพูดถึศาสนาแต่เขาเอ า, าศ า, านสน า, าพุพระศาสนาพุทปทุนรองทดสอบซึ่งพวกเราควจะได้ยินขึ้นเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเครื่อง จับสัญญาณจับชีบพจรจับสมองืึ้นความสมองแล้วออกมาเป็นข่าวปรบบากฏว่าคนที่ทําสมาธิอย่างพวกเราทําเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสมองได้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้แสญญดงว่าช่องของเรานันไม่ธรรมาดายิ่งกว่านัากปิทยาศาร์เพราสิ่งที่พระองค์บอกกล่าวสอนเราเป็นแนะเป็นแนวทางไม่มีใครสอนเลยพูดเรื่องเรื่องทุกข์ไม่มีใครพูดถึงเลย มีแต่คนสอนปฏิเสธสอนแต่เรื่องสุขทำยังไงถึงจะสุขทายังไงจึเจะไปอยู่บนอย่างมีความสุขไม่มีที่สออย่างบูอาของเรานึ่งีแบบอันนั้นมันเป็นความเชื่อถ้าพูดมันจะสองอย่างคือความจริงกับความเชื่อตอน้นแยกแยะชัดเจนความเชื่อว่าทำอย่างนี้นแล้วจะไปอยู่บนก็นแล้วแต่นั่นความเชื่อทำเป็นพิสูจน์ได้ไหมจริงไหมดู แต่เป็นความเชื่อแล้วนี่จะต่างไปเชื่อมั่นแน่วแน่บางประสมอาจจะมีความสขได้มีเป้าหมายได้เขาเรียกว่ามีเป้าหมายชีวิตแต่คือไม่บอกว่าไปไหนแต่ผู้จ้างเราต้อ ง, องทดสอบเราตัวเองเอาวัตถุดิบที่มีอยู่เนี่ยแหละคือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่มีอยู่เนี่แหละประเด้มากเลยแต่ให้รู้ความจริงให้อยู่ความจริง จะไปอยู่กับความเชื่อชัดเจนนะเมือ่อไหรก็ตามถ้าจิตเราเอาแค่ความเชื่อว่ามันไม่ใช่ความจริงแต่ที่เราอันนี้มันไม่ดูถูกประมาทกันความเชื่อตั้งหลายที่มีพยานนั่งพญานี่ปู่นั่นตานี่นั่นเป็นความเชื่อนะต้นไม้นั้นร้อยปีตน้นหินเอาแป้งไป ป, ป, ป, ปูดเป็นรูปอันนั้นเป็นความเชื่อนะัน เป็รูปูปเราเคเห็นไม่เหมือนกันร้อยคนดู ก, ก็ไม่เหมือนกันเพราะนั่นเป็นความเชื่อเราไม่ได้อยู่ความจริงเพราะนั้นต้งองแยกบอกว่าความจริงกับความเชื่อเชื่อความจริงมันต่างกันยังไงถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้เราก็จะเริ่ม อ, อยู่ว่าเอออาอยู่แบบความเชื่อเชื่อกันเดิมไม่ได้อยว่แความจริงที่มันอยู่เพราะคำถามว่าเราเคารพใครเราพรธเจ้าพระเจ้าสอนความจริงไม่งั้น เราจะไม่พบความจริงเลยในชีวิตจะเจอแต่เรื่องเท็จซึ่งมันก็เป็นอยู่บนัิ่นนี้แเจอแต่เรื่องเท็จคือเรื่องไม่จริงเพราะเราอยู่กับความเชื่อเราไม่อยู่กับความเป็นจริงโดยเฉพาะเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันสติเท่านั้นจะเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวกาหนดว่าเราอยู่กับความจริง อยู่กับเชื่ออยู่กับเท็จอยู่กับอดีตอยู่กับอนาคตอยู่กับปัจจุบันพัดกันที่สติเป็นเร่องใหญ่ดังนั้นถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ก็คือเราก็จะสะเปสะสปะไปเรือ่อเชื่อว่าสนระนั้นสหรับนี้ก ว, ว่าจนะอะไรอันนี้คือความเชื่ออยู่เหมือนกันเราไม่ใช่ความจริงถ้าฉัน อ, อยู่ความจริงอย่างนี้ไปที่ไหนก็ได้อยู่ในวัดก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้เพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลย ทุกคนมีแบบอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นธรรมเป็นธรรมคืออะไรเท่ากันโลกนี้เราได้รับความเป็นธรรมแล้วอย่าไปเชื่อพะยุติธรรมเลยเพราะชาติมีทุกคนการเกิดชะรามีทุกคนพยายามทีจ่จะไใครจะป่วยมีทุกคน ตายมีทุกคนนี่อะไรคือความเป็นธรรมอย่างแท้จริงจะไปหาความธรรมอย่างอื่นเลยนี่ความเป็นธรรมแล้วนะนี่คือความจริงแต่ถ้าเราบอกเราไม่ได้ละความเป็นธรรมก็เราก็อยู่กับความเชื่อแต่ความจริงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่เราจรึงเรียกว่าวิหารละธรรมอะไรก็ได้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเพราะงั้นเราก็อยู่กแบบับ บ้นๆหรือไปความเชื่อไปเราคิดเอาตัวเองไม่รับความเป็นธรรมไม่จะดีทําเราคิดเราเองเพราะฉะนัน้นนี่คือความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสัจธรรมธรรมที่เป็นคนจริงคุดจะปฏิเสธคุดหยิบล้อนอย่างนั้นก็ได้มันก็คือความจริงหลัการปฏิบัติธรรมเพื่อเราอยู่ความจริงไม่ได้ดูความเท็จ เราก็จะเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหายชีพปัจจัยวันผลขอนการปัจจัยวันก็เพอร์เจนี้แหละอยู่ที่ว่าความเพียรเราก็อาตาปีมันจะเผาได้มากน้อขนาดไหนเนื้อถ้าไฟมันอ่อนมันก็ไม่สุกไฟถ้าไฟมันอ่อนไอสมาธิเสียนแปลงกันไดมันได้อยู่ในระดับนี้คือมันสุกๆเด็ดๆเหมือนความเพียรที่เราทำ ทำบ้างไม่ทำบ้างอานบากน้อยบ้างเรียกว่าสุบสุดเดียวดิใจมันก็ไปสุบสุดอนี่แหละมันก็เลยไม่สุขสักทีเพราะว่าไฟยังไม่พอเพราะว่าความเพียรอาตาปีไม่พอเร่งไฟสัหน่อยไหมมันจะได้สุกเร็วเร่งเขาเพียรสักหน่อยไหมเต็งอาตาปีสหน่อยไหมเพราะอาตาปีแสดกสตีมามันก็จะเกิดสติขึ้นมาสัมปชัญญโหมดจะรู้ ร, รู้หลายอย่างใช่รู้อย่างเดียวรู้ได้ไงเพราะฉะนั้นสามธรรมนี่ตอนจริงเรียกว่าอารมณ์ของวิปัสนาส่วนของรู้พิเศษขึ้นมาจึงเรียกว่าอย่างจึงเรียกวิวปัสนาญาณคือเห็นด้วยปัญญาอย่างทัง้นก็เห็นเพื่นตานหนังกันาา น, านี้ธรรมดาอะไรันนีมีเลยเพราะนั้นถ้าอารมณ์เหล่านี้ไม่เกิดขึ้นวิปัสนาจะไปถามหานี่คืออารมณ์ของวิปัสนา ก็องของไม่ศาสะนาะถ้าไม่เร้าสงเหล่านี้มันจะเป็นมักเป็นผลอะไรมันก็ได้บ้างก็ะทำบ้างแต่ก็ยังดีนะมันก็ยังมีผลยังได้ผลอยู่มันก็ได้สูญเปล่าแต่ถ้าเฉยๆเลยมันไม่มีเลยความเปลี่ยนความต่อเนื่องแล้วแนวความคิดมันไม่มีเลยเนะี่ยโอ้หนักเราก็อยู่แบบความเชื่อไปวันนั้นปอย่าไปโทษใครนะอย่าไปโทษชะตา แต่าไปโทษผมโทษพราหโทษสวรรค์ทษเทวดาอะไรคร ก, คอก็อย่าไปโทษเขาอย่าไปโทษท่านโทษตัวเราเองก็เราอย่าเข้าไม่ถึงสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือสาระฝ่าพวกเราแต่ขา้มขึ้นวันนี้คือวิหารธรรมโดยละเอียดถ้าใครมีเครื่องอยู่อย่างเนี้ยคนนั้นชื่อว่ามีธรรมเป็นเครื่องอยู่คือสติมัเองถ้าให้มีสิ่งเหล่า น, นี้อยู่ก็คือเราไม่มีที่พึ่งเนี่ย มักเหมือ น, นคนไร้บ้านคือจิตมันไม่มีบ้านอยู่มันไร้บ้านเราดูาคนไร้บ้านเป็นยังไงก็มันกระสึงสารราษฎร์มาแค่เนี้ยกระพุ่งไปแ ร, ง, นะรงๆนั่นเะป็ความแรงต่อไปจิตเราออกจากนี้ไปมันก็จะไปอย่างนั้นเพราะมันไร้ที่พึ่งมันไม่อยู่กับความจริงไม่อยู่กับความเชื่ออันตรายนะราะนั้นภาษาการนี้ฝากพวกเราทุกคนตักน้อยนิดกันหนะอ่อยไ้มีก้า สอบข้าสอบข้าคืบสอบก็ยังดีเรียกว่าไม่คืบไม่สอบเลยมันอันตรายอันนี้คือส า, าวาเราทำสำหรับกว่าพวกเราข้ามเกิดวันนี้พระขอราทั้งหลายทุกคนได้เจริญในธรรมทุกคนทุก ท, าท่านเถิด